ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมตอบปัญหาโดยพ่อท่านสมณาพธิลักษ์และนายแพทย์วิชัยเอกทักษินและคุณอัญชลีไพรีรัฐ์ไว้เมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2549ณเวทีเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ท้องสนามหลวงเทปชุดนี้ไม่สามารถที่จะอาด รายการตั้งแต่เริ่มต้นของรายการได้ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นับัดนี้ ตอนนั้นถือว่าเป็น8ปีที่คดีนั้นจบสิ้นใช่ไหมคะจบสิ้นไปแล้วแล้วก็เราก็แพ้เขาก็ตัดสินให้แพ้ทั้งดีกาก็แพ้แพ้ก็แพ้ก็ให้เราติดคุกแต่รอลงอาญาสองปีก็ผ่านสองปีไปหมดแล้วล้วก็ยอมทุกอย่างก็จบสิ้นกันแล้วและเราก็จึงเด็ดขาดกันว่าขณะนี้เนี่ยเราเป็นสมณะหรือเป็นนักบวชของพุทธอีกคณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ใน การปกครองของเทราสมาคมเป็นสงฆ์คณะอื่นไม่ใช่คณะสงฆ์ไทยอืโดยถือหลักนานาสังวาใช่นานาสังวาไม่ใช่คณะสงฆ์ไทยเมื่อเรากําหนดเราวางพื้นที่ของเรากําหนดบทบาทของเราแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้วางบทบัญยายของเราว่าเราคือนานาสังว่าแต่ว่ามหาเทรสมาคมก็ยังไม่ยอมรับในนานาสังว่าตอนแรกยอมรับตั้งแต่ปศหนึ่งแปดได้ยอมรับแต่พศ32กลับมากลับคําว่าไม่รับแล้วจะเล่นงานเจ้าแล้ว เราจะต้องใช้สิทธิว่าเป็นสงฆ์อยู่ในเทราสมาคมเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องใช้อำนาจใช้มาตรา 2,505 ซึ่งเป็นกฎหมายสงฆ์ที่ออกมารองรับของเทราสมาคมไม่ใช่ธรรมวินัยนะพอปีสาสองไม่ยอมรับอีกแล้วแล้วมันมีผลอะไรต่อนเนื่องมาไหมคะไม่ใปี32สองเนะี่ยนึกว่าเราเองเราดึงเราเข้าไปอีกตอนแรกเรายอมรับแล้วว่าเราแยาออกอามาเป็นนานาสังวาสแล้วแต่ตอนหลังก็กลับคําตัวเองอะเอาเข้ราเอ า, เ, อ า, เ, อาเราเข้าไปพิพากษาอ่อาก็ไปพิพากษาเรา พิพากษาก็อย่างนั้นแหละก็พิพากษาโดยอาตมาว่าพิาาพากษาก็พ า, าพิพากษาผิดเพราะว่าไม่ไดเอาเราเข้าไปในในคดีควาคือไม่เอาจำเลยเข้าไปในที่พิพากษาด้วยคแล้วหลังจาก น, นั้น<า>่ะคะหลังจากปีสามสองม่ต้นมาเกิดอะไรขึ้นกับท่านคะตอนอั้นะสมสองขึ้นมาก็ต้องขึ้นศาลไงให้ชาวคารวาสมาตัดสินพระซะอีกนะึงซึ่งมันก็เอ๊ยยังไง พระมาตัดสิพระขนาดพระด้วยกันนี่จะเป็นกลุ่มพระสงที่สงฆ์ด้วยกันเนี่ยจะเป็นคณะที่จะตัดสินความเนี่ยนะยังต้องเอาสงฆ์ที่บริสุทธ์นะสงฆ์ที่อาบัติก็เข้ามาร่วมวงที่จะตัดสินไม่ได้นะ นี่เอาครวาตไม่ได้มีศีลสักข้อเลยนี่ไม่ได้อยู่ในวินัยอะไรสงเลยมาตัดสินพระก็มันก็เรื่องของที่จําได้จากนั้นเนี่ยท่านก็มาดํารงตนเป็นสมณะอย่างสมถะที่สํานักสันติอโศกกันนะคะเมื่อกับว่าสงครามเนี่ยมันจบสิ้นแล้วต่างคนต่างอยู่แต่ว่าการกินแหนกแงงใจนี่ยังมีกันอยู่ สงคารามนี่มันพร้อมประทุขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะเราไม่ได้มีสงครามอะไรตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้มีสงครามอะไรด้วยเลยท่านเองท่านาจะเป็นศัตรูเป็นสงครามอะไรท่านก็เป็นของท่านอาตมา ไม่ได้ถือท่านเป็นศัตรูไม่ได้ถือท่านเป็นสงครามไม่ได้ถือท่านเป็นผู้ต่อสู้อะไรเลยก็ต่างคนต่างก็ทํางานทําหน้าที่ประพฤติอย่างไรก็เห็นยังไงก็ทํากันไปต่างคนต่างเห็นนานาสภาวะนี่มันเป็นความเห็นที่ต่างกันแล้วต่างกันด้วยกรรมต่างกันด้วยอุเทศต่างกันด้วยศีลไม่เสมอสมานกันนี่เป็นหลักวินัยหลักธรมของพรุทธเจ้าทั้งนั้นคือจนกระทั่งเนี่ยท่านก็ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองซึ่งครั้งนี้ถือได้ว่าชัดเจนที่สุด ออกเนื้อออกตัวลงมาเต็มที่แรงที่สุดเลยเท่าที่เคยเคยสังคมได้สดับแต่ฟังจากสนติอโศก น, นะคะ hmm. เป็นครั้งแรกที่ท่านออกมาแล้วออกมาพร้อมกับดนตรีจําลองด้วยก่อนหนะ้าที่จะมีชายคนหนึ่งขึ้นไปกล่าวทุกร้องทุกเก่าโทษจับท่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะทั้งมหาเสลชสมาคมเองก็เคยออกมาติติงแล้วก็ตําหนิว่าไม่เชื่พระไม่ใช่สงฆ์และไมายุ่งเกี่ยวอะไรด้วย เอาธรรมะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเอาธรรมะอันบริสุทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองที่วุ่นวายทําไมท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรคะก็มีความคิดเห็นว่ามันความเข้าใจและความเห็นมันแยกกันมันไม่เหมือนกันแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่ไม่เห็นไม่เหมือนกันมันก็ถูกแล้วนี่มันมีปัญหาอะไรนี่แต่จะมาฟังรองกันไปเรื่องของท่านมองตรงจุดที่พ่อตาอธิบายเมื่อกี้นะครับก็คือตอนต้นที่บอกว่ามีคนมา ฟ้องร้องอีกครั้งหนึ่งว่าสมาะในกลุ่มสันเตียโศกเรียนแบบพระพุทธผมว่าคดีนี้มันจบไปนานแล้วซึ่งพราะตั้งการทีบายอย่างชัดเจนแล้วว่ามันจบแล้ว <c oughs> แต่ครั้งนี้ถ้ามีการมาฟ้องขึ้นมาอีกผมว่ามันมันดูแลมันมันตลกนะครับเพราะเรื่องนี้มันจบไปแล้ว <c oughs> เ, รเราสังเกตดูนะครับ <c oughs> ว่าตอนั้นพี่ป้าาไปแล้วด้วยใช่ครับ <c oughs> แล้วก็มีคนนับถือศาสนาพุทธที่เป็นนักบวชแล้วก็แต่งกายแบบต่างๆอยู่ในประเทศไทยนี่ผมว่าม <c oughs> ีหลายกลุ่มนะครับ ยังไม่นับอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่เอลที่แต่งเขียวนะคะแล้วบางทีเป็นพระจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเราก็ไม่เคยไปฟ้องร้องเขาว่าเขาเรียนแบบใช่ไหมครับท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องการเมืองไหมคะอาตมาก็ท่านนึกก็นึกได้อาตมาไม่อยากนึกไปลรกเมื่อยไม่ได้นึกอะไรเมื่อมันมึกไปก็เมื่อยเปล่าๆเป็นแต่เพียงว่าตั้งรับท่านจะมาตูท่านจะมาตั้งข้อหาท่านจะมาอะไรก็ ก, ก็พยายามแก้ไขไป แก้ไขเหตุการณ์ที่มันจะเป็นอะไรตๆกันไปเรื่อยๆเท่านั้นเองอเพราะว่าอาตมา ก, ก็ตั้งรับเท่านั้นเองเพราะเราไม่เคยไปรุกรานใครตั้งรับนี่ท่านให้ความหมายรายละเอียดขอบเขตแค่ไหนคะที่จะตั้งรับโดยที่ไม่รุกรานใครก็ตั้งรับอย่างที่เป็นมาตลอดเนี่ยคือเราก็มีอะไรที่ถูกต้องมีอะไรที่มันชัดเจนเราก็ว่ากันไปตามความจริงอาตมาคืออาตมาสู้อะไรก็แล้วแต่ ใช้คําว่าสู้ก็มันหนักหนักอยู่แต่ว่าก็ต้องต้องใช้เพื่อเพื่อความเข้าใจสู้กันด้วยความจริงที่อาตมาหมดความจริงและอาตมาก็จบเท่านั้นเองหลายคนอยากรู้ความจริงในนานาสังวาสนานาสังวาสคืออะไรคะนานาสังวาสคือนานาเนี่แปลว่าความต่างสังวาสแปลว่าธรรมะอันร่วมกันเพราะฉะนั้นเรามีเป็นพุทธมีธรรมะเป็นพุทธธรรมร่วมกัน แต่มันมีความต่างกันนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในโลกหลักนานาสังว่าในเป็นหลักแห่งประชาธิปไตยเป็นหลักแห่งอิสระเสรีภาพสุดยอดที่พระพุทธเจ้าจันตราขึ้นในยุค ข, ของท่านซึ่งเป็นยุคธาตเป็นยุคสังคมที่ยังไม่เข้าใจสิทธิมนุษยชนยังไม่เข้าใจสิทธิในสมบัติในวัตถุไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกอะไรหมดเลยมันสังคมธาตนะุ่ะแต่พระพุทธเจ้านี่ท่านฉลาดสุดยอดท่านตั้งหลักนี้เอาไว้เพื่อกัน เมื่อมันเกิดสภาพที่มันยึดกันคนละขั้วมันเกิดฝ่ายสองฝ่ายที่เห็นความเห็นต่างกันจริงแล้วเนี่ยให้ปฏิบัติอย่างไรท่านก็ให้ปฏิบัติด้วยหลักนานาสังวรว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติตามความเชื่อของตนเองไปอย่าไปทวงกันอย่าไปไปฟ้องร้องกันอย่าไปกล่าวโทษกันเพราะถ้าขือไปทวงกันกล่าวโทษกันมันไม่จบก็ต่างคนต่างเชื่อแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปบังคับให้คน มันเข้าใจอย่างนี้คนนี้ก็มาเข้าเข้าใจอย่างนี้นนไม่ได้แล้วท่านก็ออกหลักเกณฑ์คุณบอลไอม่ให้เป็นถูกท้วงนี่เป็นต้นถ้าสมมติผมจะใช้ภาษาหรืออย่า ง, างนี้<อ>ครับคุณก็ท่านกับว่า น, นานาสังวัตหมายถึงความแตกต่างแต่ไม่ใช่แตกแยกใช่ไม่ใช่แตกแยกแตกต่างแต่ไม่ใช่แตกแยกเป็นความแตกต่างนานานไม่ได้หมายความว่าแตกแยกเพทะสังคเพทะหรือสังคเพทนี่แปลว่าแยกแตกแยกเพทะแปลว่าแตกแยก แต่นานานี่ไม่ใช่แตกแยกใครทําสังฆเพศน่ะ น, นะอนันตริยกรรมนะคนมาตู่พวกอาตมาว่าเป็นพวกสังฆเพศคนนั้นบาปนะคนนั้นก่อให้เกิดสังฆเพศนี่อนันตริยกรรมตกแก่ผู้นั้นนะอาตมาทําอย่างนานาสังวาสไม่ได้ทําในขั้นสังฆเพศเลยอาตมากลัวนะสังฆเพศนี่ไม่ไหวหรอกมันเป็นบาปอนันตริยกรรมจริงๆ สักครู่นี้ฟังนายยาจากพ่อท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าได้มีแบบวิธีการปกครองสูงแบบที่เป็นประชาธิปไตยมาก่อนซึ่งยอดเยี่ยมเลยอิสราเซรีภาพเป็นตัวชัดไม่เคยมีใครกล่าวอย่างนี้มาก่อนเลยพราะท่านช่วยให้ไลน์ติดอย่างไรครับมีมีมีดรสุนชัยมีดรชัยอนันต์มีหลายผู้หลายท่านที่เข้าไว้ตั้งแต่นานแล้วถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าหลายสิปีแล้วมีก็แปลว่านักบวชภายใต้ศาสนาพุทธมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในตัวอยู่แล้วโอ้โหยอดเยี่ยมพระพุทธเจ้าประชาธิปไตยอิสราเซรีภาพสุดยอดมาก่อนเลย ก่อน<ต>สมัยทาสนอนสมัยโนสมัยทาสแท้ๆแต่ของท่านไม่ไม่อยู่ในสังกัดของมสใช่ไหมคะ อ, อ๋อไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสังกัดเน่ยแล้วถ้า ม, มสมาติ่งมาตําหนิติเตียนเนี่ยท่าน<ต>จะว่ายังไงติเตียนได้หลักการของพระพุทธเจ้านี่ท่านให้ติเตียนหรือว่าว่ากล่าวกันอันนั้นผิดอันนี้นถูกของเราถูกข้อคันผิดอะไรเนี่ยได้แต่ต้องใช้สำนวนเนื้อภาษาที่จะว่ากันเนี่ยอยู่ในระดับหนึ่งอย่าไปตู่ท่วงกันแรงภาษาของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า อย่าปฏิโกสนาคืออย่าพูดกันถึงขั้นท้วงกันอย่างจังๆแรงๆจนกระทั่งเกิดทะเลาะวิวาดกัน <ยา S 1> เกิดการโกร ธ, กรธเคืองกันอย่างนี้คท่านให้พูดให้ว่ากันได้ในระดับหนึ่งเราต้องมีศิล ป, ปะท่านใช้ภาษาพราวะว่าในขณะขนาดของทิศฐาวิกรรมพูดได้ขณะนี้เท่านั้นก็ถ้าเขาถ้ามศบอกว่าเราเองก็พูดกับท่านในระดับหนึ่งแล้วในระดับที่บอกว่าอย่าเอาธรรมะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ถึงแม้ว่า<ต>เราจะไม่ยอมแล้วว่าท่านเป็นสงแต่ท่านก็มีสาาัจธรรมเป็นาาปนักบวชอย่าไปยุ่งกับการเมือง อ, อ๋อก็ท่านก็ทำของท่านสิก็ท่านเข้าใจอย่างนั้นก็ถูกแล้วไงแต่เราไม่ได้เข้าใจอย่างท่านเราบอกว่าธรรมะจะต้องอยู่กับการเมืองการเมืองต้องอยู่กับธรรมะเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงโอะคะลอ่อด้วยความบริสุทธิ์สงบสันติกันล่อด้วยความวุ่นวายอิจฉาริษยากินแหนงแข่งใจละมอบรอบมากมันจะไปด้วยกันได้ยังไงอะคะไปด้วยกันได้เพราะว่าธรรมะนั้นน่ะมีอ่า มีความเข้าใจมีความสามารถที่จะทําให้คนเนี่ยประสานและก็ทําให้คนนี่เกิดสันติและทําให้คนนี่ดีขึ้นซื่อสัตย์ขึ้นไม่โกงไม่กินก็เป็นคนดีขึ้นนะเป็นคนที่มีคุณธรรมขึ้นนะเพราะเหตุที่ไปแยกธรรมะ ก, กับการเมืองออกนั่นแหละประเทศถึงได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ขณะ น, นี้นี่คือความผิดพลาดนันใหญ่หลวงเลย นี่เป็นความผิดพลาดนันใหญ่หลวงของประเทศไทยศรีลังกาในเขามีสสเป็นพระอยู่ตั้งเจ็ดเจรูปเป็นสสนั่งอยู่ในสภาเขาไม่ได้แปลกเลยว่าธรรมะการเมืองนี่พม่า ก, ก็กําลังจะเลือกตั้งพระก็ออกหาเสียงแล้วก็จะสมัครสส อ, อยู่พมา่าเวียดนามก็จะเอาด้วยเหมือนกันเขาไม่แปลกหรอกเมืองไทยนี่แหละไทรไม่รู้ที่ไปสร้างอันนี้มาเป็นร้อยปีแล้วนะหลายร้อยปีแล้ว ไปตั้งกฎหลักแยกธรรมะออกจากการเมืองประเทศถึงได้ขอขอไปที่จงใช้คำว่าสวยประเทศถึงสวยที่เกิดลักษณะอังนี้เพราะไปะแยกธรรมะออกจากการเมืองนักการเมืองก็เลยได้ใจใหญ่เลยก็เลยเห็นไหมล่ะไปใจกันไม่ได้เลยนักการเมืองํกกาบ า, ากเลยแสดงว่าทางสเตียสก์เองเคยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะทํากิจกรรมทางการเมืองเหมือนอย่างตัวอย่างที่ท่านยกไม่มีไม่ ม, ม, มีเราไม่เคยคิดพวกเราโดยเฉพาะตั้งแต่อัตมามาและก็พวกเราก็ไม่คิดอยากจะไปวุ่นวายอะไรกับการเมืองนักแต่พวกเราก็เข้าใจว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะปล่อยปละละเลยไม่ได้เราก็ต้องดูตาดูดูหูแลจะให้เขามาปุยี่ปูยยำเรื่องเขาจะทํำยังไงก็แล้วแต่ไปเละเทๆมันไม่ได้เราก็ต้องรู้และก็ต้องช่วย เพราะฉะนั้นก็มีกลุ่มของพวกเราเนี่ยเข้าไปช่วยในด้านการเมืองแต่พวกเราก็ไม่ได้มีความคิดหรือว่าไม่เป็นคนที่จะต้องไปแย่งเอาใหญ่เอาโตเอาเนี่แต่ไปทำงานา ถ, ถ่ามองจากสายตาของของชาวบ้านนะครับที่เออเรามีประเทศเป็นชาวพุทธเหมือนกันเช่นศรีรังกาหรือว่าพมา่าซึ่งเขาก็มีพระอยู่ในสภาดเหมือนกันเลยแต่งตัวลอกเรียนด้วยที่จะบอกอ พระาศเราแต่งตัวเหมือนกับศาสนาไทยธรรมะเหมือนยิ่งกว่าอาตมาอาตมานี่ผมก็ไม่เหมือนแต่แต่พระมาเขาไวคิวนะศิลัการก็ไวคิวสําหรับประเทศไทยผมไม่ได้คิวพระในเมืองไทยไม่ได้ไวคิวแต่งไม่เหมือนนะเนี่ยเจตนาไม่ให้เหมือนนะไวคิวแล้วหนุ่มผมก็ไม่ให้เหมือนสีก็พยายามที่จะแยกมาไม่ให้เหมือนแล้วยามุตสาว่าเราจะไปพยายามลอกเลียนให้เหมือน คนจะปลอมธนบัตรก็ต้องให้มันเหมือนทุกขีดทุกเส้นใช่ไหมนี่เราพยายามที่จะไม่ให้เหมือนทําตรงนี้เรารู้ว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราก็แยกออกมาแล้วก็ยังจะมาดึงเราว่าเป็นรอกเรียนอีกเอ๊มันเป็นอย่างไงคนนี่ <c oughs> นี่แสดงว่ามีเจตนาชัดเจนว่า <c oughs> ไม่ได้รอบ <c oughs> เรียน <c oughs> แน่นอนเจตนาชัดเจนที่เราจะไม่เป็นลอกเร <c oughs> ียนมาอย่างชัดเจน <c oughs> ใชนะคะทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งอ่ามอสอเคยพูดว่าการเมืองมันไม่ใช่กิจของสง เหมือนกับที่สมณะการเมืองก็ไม่ใช่กิจของสมณะมายุ่งอะไรกับกิจของสมณะก็ตอบไปแล้วไงมืึอคิดว่าความเห็นของท่านเป็นอย่างนั้นก็เห็นไปเถอะท่านเห็นติดตามกันมาแต่ประำปราเชื่อตำตามกันมาว่าอย่างนั้นซึ่งอาตมาขอยืนยันว่าไม่ใช่ศาสนาพุตไม่ใช่เอาทำไม่ธรรมะมายุ่งกับการเมืองในยุคของพระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระเทวทัตตั้งแต่พระพุทธเจ้า พระเทวท่านไปยุ่งกับผู้บริหารประเทศคือพระเจ้าอาชาติศัตรู<ะ>แล้วก็เอาพระไปไปเป็นกุนซือหรือไปเป็นที่ปร<ะ>ึกษาแล้วก็ทําให้การบริหารบ้านเมืองเปลี่ยนปลงอะไรไปพระเจ้าเห็นว่ามันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องให้ภาษาดิบุตรนีเข้าไป<ะ>ไปเอาพระกลับคืนมาอะไรนี้เป็นต้นคือมันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วมันจะงามไหมคะพระมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองดเฉพาะการเมืองที่เขาเรียกว่านอกสภา ห, หรือการเมืองข้างถนนแบบนี้อะคะ่ะถ้าพระที่ไม่รู้จัก มพักที่ไม่มีมารยาทไม่มีไม่มีอะไรที่ชัดเจนไม่มีสปอริสธรรมมันก็ไม่งามแต่สมณะหรือภิกษุหรื อ, อนักบวชของพุทธที่มีแล้วมีความรู้เหล่านี้แล้วมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนแต่คณะกรรมการมอสอหรือว่าผู้ที่ฝักไปในธรรมหลายท่านก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าการออกมาค้องแวะกับการเมืองครั้งนี้เนี่ย มารู้สึกรุนแรงที่สุดนะคะอยู่ในระดับที่ตะโกนไล่นาะย ก, กันทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็จะบอกว่าแหมเอาธรรมะข้อไหนมานะที่มันตะโกนไล่กันด้วยความรุนแรงมันเป็นความรุนแรงในระดับหนึ่งซึ่งธรรมะนี้ไม่ควรจะเข้ามาข้องแวะได้เลยอะคะ่ะแม้พูดเรื่องนี้แล้วสวยมากเลยขณะนี้อาตมาเห็นความงดงามยอดเยี่ยมของประชาธิปไตยในเมืองไทยคุณสนธิกออ่อ b o a r ขึ้นมาเริ่มจุดชนวนชุม ชุมนุมชุมนุมคนมาประท้วงตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งจนกระทั่งถึงครั้งที่15บวันที่11กุมภาพันธ์อัตมาก็เห็นว่าโอ้ดีจังเลยความก้าวหน้าของประชาธิปไตยในเมืองไทยนี่สวยไม่มุนแรงสันติอหิงสามาได้ตั้ง15หครั้งครั้งที่สี่ก็อยู่กลางถนนราดดำเนินครั้งสี่กุมภาครั้งที่11เกุมพาเป็นครั้งที่1ิครั้งที่15ก็กลาง ประชาะสิบปัจัยไม่ใช่กลางที่ลานพระรูแต่ส็จแล้วก็เรียบร้อยไม่มีเลือดตกยางออกไม่มีอะไรกันไม่มีการชุลมุนชุลเกงามเหลือเกินอาตมาก็เห็นว่าเอ๊ะมันเกิดมันเกิดมันเกิดแล้วนะคือสังคมแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วชัดเจนแล้วสองขั้วแล้วเราก็จะต้องเอ๊ะต้องช่วยสังคมแล้วละ่พะพระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่าจะต้องอยู่ในพวกที่เป็นบัณฑิตนะ อย่าไปอยู่กับ ARS. พวกผานนี่เป็นคําสอนพระพุทธเจ้านะต้องอยู่กับบัณฑิตอย่าไปนี่เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นการเลือกฝ่ายไงพระพุทธเจ้าต้องให้เลือกฝ่ายต้องอยู่ต้งฝ่ายบัณฑิตจะไปอยู่กับฝ่ายผานไปโคบหาแล้วไปอยู่กับฝ่ายผานผิดต้องเลือกฝ่ายมาอยู่กับบัณฑิตเราจึงจําเป็นเมื่อเห็นสองขั้วสองฝ่ายมันแยกกันชัดอย่างนี้แล้ว แล้วก็เลยต้องหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงซึงก็หาไม่ยากนหะรอกเพราะว่ามันชัดๆอยู่แล้วแล้วก็ไดนะ้พบว่าทางฝ่ายที่เป็นบัณฑิตแล้วฮะแปลว่าฝ่ายนู้นเป็นพานนะสิคะคุณก็อย่าเสี่ยมสิ <c oughs> อคนเสี่ยมอย่างนั้นมันก็จะไม่ดีมันจะทะเลาะวิวาสกันมันไปว่าเขาไม่ไปข่มเขาเราใช้ภาษาสวยๆงามๆตามพระพุทธเจ้าก็แล้วก็ว่านั้นฝ่ายพานฝ่ายบัณฑิตใช้ศัพท์พระพุทธเจ้าก็แล้วกันเมื่อเราเลือกฝ่ายแล้วเราก็ต้องโดยมาทํามาช่วยฝ่ายนี้ ทีนี้ประเด็นหลักที่อาตมามาช่วยนี่ก็เพราะว่าไม่ใช่เราเก่งการเมืองไม่ใช่เรารู้ทางรัฐศาสตร์อะไรหรอกเราไม่เก่งจริงๆและเราก็ไม่ได้มาร่วมเพื่อที่จะมาต่อสู้ทางรัฐศาสตร์ทางการเมืองแต่เราเห็นความงามของสันติอหิงสาและเราก็ไม่อยากให้เกิดการชุมนุมจะต่อไปอีกเขานัดไว้วันที่ยี่บกกุมภาเราก็เลยคุณจะลองไปประกาศวันที่19บเ้อกว่าจะร่วมทานนี้สติอโศกจะมาร่วมท้งนี้อ่า มาร่วมอะไรมาร่วมเพื่อที่จะช่วยบรรยากาศช่วยให้เกิดสันติอหิงสาให้ไปรอดเพราะว่าวันที่26่นี่เป็นวันดีเดนะวันใจแล้วนีจะอะไรแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องพยายามมาช่วยเพื่อที่จะเราเป็นน้ําเย็นหยดเล็กๆกดตามเราก็จะมาช่วยอันนี้นี่มันจะร้อนมันจะแรงมันจะไม่ดีเราต้องการให้อันนี้เกิดด้วยสันติและอหิงสาให้ได้ถ้าสําเร็จ ประสิทธิผลในเรื่องที่ต่อต้านนี้จนสเร็จแล้วก็เกิดยางสันติอิงสาจะบันทึกประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยหน้าหนึ่งเลยในโลกเป็นเบสเบกคอร์ดเลยนะความสำเร็จที่ท่านวางเอาไว้นั้นจะมีรูปแบบยังไงคะหน้าตามเท่าที่เรามีชาวอโศกเรามีความเย็นชาวอโศกเราได้ฝึกปรือมาอย่างที่เห็นเห็นนี่แหละเรามีความอดทนเรามีความ อหิงสามีความต้องไม่ต้องการความรุนแรงอะไรเลยอย่างที่ทําเนี่ยถ้าจะเป็นยังไงมีนมามธรรมมีรูปธรรมอะไรที่เราจะสามารถมาช่วยได้เราช่วยเต็มที่อท่านเห็ น, นด้วย <ปะ S 1> กับการเคลื่อนมอฟจากสนามหลวงไปปิดล้อมทําเนียบไหมคะที่จริงนะอัตมาก็รู้นะว่าในโลกนี้มันต้องมีพฤติกรรมอะไรที่จะต้องอาศัยเพราะว่าคนเราต้องเข้าใจในจิตตวิทยาพอสมควร พอจะในในขั้นตอนที่ก็จะต้องทําขนาดใ น, นขนาดนี้ก็ต้องทําแต่ทําแล้วสิ่งที่เรารักษาเรามีความสามารถในด้านนี้เรื่องนี้คือเรื่องของสันติและอหิงสาเราก็จะทําเรื่องนี้เท่านั้นส่วนด้นอื่นทุกคนรับผิดชอบไปแ บ, แบ่งกันแบ่งกันหมายถึงอะไรค ะ, อ, รคะอ้าวพอแบ่งใครจะรับใครจะรับผิดชอบในด้านนั้นด้านนีอ้อย่างคุณรับผิดชอบอย่างคุณสํำราญรับผิดชอบเป็นโคศกอย่างใครที่คุณสนธิเป็นตัวหลักที่จะ แชรอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีการเคลื่อนอีกไม่ใช่ถ้าหากแล้ ว, วันที่14นี่ เ, เคลื่อนอีกเนี่ยท่านจะไปด้วยไหมคะวันที่ยีบวันที่ส4บอ๋อสมณาเราก็ยังดูท่าทีเรายังไม่ไปเดินด้วยรอกจากที่ผ่านมาสมณาเราก็มาสแสดงความนิ่งความหยุดจะได้เห็นได้สมณามาก็มันก็มีอะไรแล้วก็มานั่งอยู <sc> ท่ทั้งวันทั้งวันทั้งวันหลายคนก็บอกว่านั่งอยู่ได้ยังไงนั่งอยู่เฉยๆทั้งวันทั้งวันร้อนก็ร้อ น, <ข> อ, นอ้าวก็อ้าวสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติการของมนุษย์ เป็นลักษณะพฤติการพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งมันมีพลังมีรังสีมีอะไรอะไรหลายๆอย่างทั้งกายธรรมวจีธรรมมโนธรรมมันก่อให้เกิดอะไรขึ้นได้แต่ในในสารถาทางการเมืองเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันถ้าไม่เกิดความรุนแรงเนี่ยมันก็เอาชัยชนะมาไม่ได้นี่แหละเพราะเห็นเพราะเห็นอย่างนี้นี่แห ล, ละละครนำเน่าบทนี้มีมานานถึงวันนี้เราจะเปลี่ยนละครบทใหม่แล้ว เพราะฉะนั้นต ก, การประท้วงก็ตามคัดค้านก็นตามไม่ใช่ด้วยน้ำเน่าอย่างนั้นจะต้องเลือดตกอย่างออกพอทีอเอาให้สดสวยว่าสงบสันติแต่ชนะอย่างใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าเห็นแล้วเมื่อวานี้เริ่มต้นเอาผู้รู้เอาผู้ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมมามีความจริงอะไรออกมาเอามาไขไขความจริงกันให้ออกมาชัดๆมากๆๆๆจนสุดท้ายความจริงและความรู้ที่เป็นปัญญาชนเห็นแล้วว่า สุดท้ายคุณจำนนแล้วต่อความจริงและความถูกต้องอันนี้แล้วคุณต้องยอมแพ้ต้องอาออกใช่ต้องอย่างนี้ไม่ใช่เาความจริงเอาข้อเท็จจริงไปบอกกับประชาชนทุกคนใช่ประชาชนทุกคนนี่แหละก็จะเข้าใจแล้วก็จะมาเรื่อยๆตกแต่สุดท้ายก็จะมาเป็นมวลเพราะนั้นมวลผู้ใดที่เข้าใจออกมาเถิดความเป็นกลางต้องเข้าข้างคนดีความเขาเป็นกลางต้องเข้าข้างคนถูกต้อง อย่าไปเข้าใจผิดว่าความเป็นกลางแล้วจะต้องเขาข้างใครก็ไม่ได้ไอ้นั่นคนที่กลัวไม่กล้าเขาข้างใครหรือคนไม่รู้คนโง่ไม่รู้รจะเข้าข้างใครดีไม่รู้อย่างนั้นไม่ใช่คนเป็นกลางคนเป็นกลางต้องคนมีปัญญาเหมือนอย่างกรรมการฟุตบอลเงี้ยตัดสินว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกรู้เลยเอ้าคนนี้ผิดไล่ออกจากสนามคนถูกอยู่ต่อไปกรรมการหรือตุลาการผู้พิพากษาเงี้ยก็ต้องมีภูมิปัญญาตัดสินถูกตัดสินผิดอย่างนี้เป็นต้นต้องรู้ได้ เสร็จแล้วคนที่เป็นกลางนี่คือคนไม่ลําเอียงไม่มีอคติสี่เป็นคนที่จะต้องมีปัญญาและตรวจสอบและอะไรใดแล้วก็ต้องช่วยน้ําหนักคนพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรไงเลือกข้างก็คือต้องอยู่กับบัณฑิตอย่าไปอยู่กับพานหรืออีกอันนึงพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นิคคันเหนิคหารหังปักคันเหปักคหะรหังอันนี้ให้พูดด้วยนะต้องคมต้องว่าทํานิติเตียนคนชั่วคนผิดแต่คนดีต้องยกย่องชั้นเสริญท่านไม่บอกว่าให้ปิดปาก บอกคนนี้ดีพูดไม่ได้เป็นกลางคนนี้ชั่วพูดไม่ได้เป็นกลางนั่นนอกคําสอนพระพุทธเจ้าเ <c oughs> <c oughs> นี่ย น, นี่กันแห็นนี่ก็ห้ามปากแต่ว่าแ <ใน S 2> ต่ในขณะสังคมการเมืองของไทยนะคะพ่อท่า น, นะคะคือ <c oughs> ถ้ามาชุมนุมกันอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันเยืะเยอะยอะอะอย่างเงี้ยทางการเมืองเขาบอกเลยกุนซือการเมืองบอกเลยว่าแพแน่ไม่เป็นไรแพ้ก็แพ้เราไม่ได้เอาแพเอาชนะเราเอาความถูกต้องเราเอาความจริง เมื่อไขความจริงและความถูกต้องมาหมดแล้วเนี่ยมันจะแพร่อิทธิพลความไม่ดี<ม>ก็ให้รู้ไปว่าบ้านเมืองมันจะอยู่ในฐานหน้าที่คนไม่ดีคลองเมืองเขาบอกว่าสันติอส่งออกมาร่วมกับคุณสันทิร่วมทําการเมืองนอกสภาครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าโกรธเครืองนาะยกทั้งสินเป็นการส่วนตัวกรณีเรื่องเบียร์เหล้าที่จะเข้าตลาดนะคะข้อเท็จจริงนี้เป็นยังไงคะท่านคุณจําลองนะ่ะหรือจะไปโกรธ เคืองเอาเบียร์จะเอาเหล้าเข้า ต, าตลาดเราเห็นสังคมถ้าเผื่อเอา AR, เหล้าเบียร์อะไรเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วมันก็จะเกิดทุนใหญ่มันจะเกิดสร้างผลิตออกมาเองมากแล้วประเทศไอ้ของมอมเมาไอ้ของเมา ม, มากมากมากมากาแล้วมันจเจริญ น, นักหรือเราประเทศน่แล้วมนุษย์มันจะเจริญเหรอเราต้องการที่จะไม่ให้เกิดอันนั้นต่างหากไม่ได้ไปทะเลาะบแวงอะไรกับใครเราจะช่วยสังคม อันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้มารวมตัวกันที่นี่ใช่ไหมคะน้าเมาณนู้นหน้าคอตไม่ใช่ที่นี่ตอนไปไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกอตนั่นเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ประเด็นของทางด้านทางด้านที่จะให้ให้เปลี่ยนแปลงให้นายกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรคะถ้าถ้าท่านเจอท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านอยากจะบอกอะไรท่านนายกทักษิณคะ แม่มีบังอาจอนะอาตมาไม่ไม่ไม่บางอาจจะไปบอกอะไรท่านหรอกเพราะท่านฉลาด ก, กับอาตมาสู้หุ่นลายหลายไลายชั้นอาตมาถึงสนา ม, มาหลวงนี่แล้วเนี่ยคงอยากมีอะไรจะบอกท่านนายกมั้งคะอาตมาจะไปบอกอะไรท่านได้แล้วเอาน่ะเปิดเผยนิดหนึ่งไม่เปิดเผยความลับอะไรหรอกเพราะคนรู้อยู่แล้วก่อนจะเกิดเรื่องัทที่สิบเก้าเนี่ยเรา ที่จริงหน้าเล่าอาตมา ก, ก็เล่าไปแล้วแหะแต่ว่าข่าวนักข่าวอะไรสะพานไปหมดแล้วอาตมาเล่าไปตั้งไม่รู้กี่เที่ยวกี่ครั้งแล้วแต่นักข่าวไม่เคยเอาไปลงไม่เคยบรรยายเลยพูดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไอเรื่องที่เนื้อๆนีนน่ไม่เคยพูดคือวันที่19นั่นน่ะพวกอาตมาเนี่ยชาวโสม น, นีไปประพฤติธรรมกันไปบําเพ็ญธรรมกันเป็นประเพณีอ่าเรียกว่าพุทธาพิเศษแต่พุทธาคนไม่ได้ไปพุทธาอิฐินดินปูนอะไรอ่าพุทธาพิเศษ คนที่สาลีอโศกวันที่ส2บสองวันที่ส1บเอ็ดเขามีชุมนุมกันใช่ไหมสิบเอดกุมภาชุมนุมใหญ่วันที่สิบสองกีงานเรากำหนดมานานแล้วเป็นปีๆสิบเจดวัน 12-18 เราก็มาพบกันชาวโสมมาพบกันชาวโสมทั่วประเทศนะมาพบกันแล้วก็คุยกันนี่เหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วนาะจะเป็นยังไงคุยกันแล้วไปคนจะลองก็ไปด้วย ก็คุยกันแล้วก็เออทางนั้นเราก็จะต้องทําอะไรให้แก่สังคมสักอย่างเถอะเราจึงตกลงว่าเอา้งางั้นเราตกลงอย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อกี้ว่าเราก็เข้าข้าง เ, าเลือกฝ่ายเมื่อเลือกฝ่ายแล้วเราก็ถึงได้ให้คุณคุณจำลองก็ไปแถลงซึ่งที่จริงคุณจําลองก็ชิดอยู่ก่อนเหมือนกันแล้วก็มาปรึกษาหะรือกันก็ตกลงนะะแล้วกไปแถลงคุณจาลองก็ไปแถลงปันทิบเว่าเราจะช่วยชุมนุมอันนี้หนะาแที่เกิดมาก่อนที่จะไปะแถลงนะพอดีคุณสุดาระได้ข่าว มาพบอาตมาแต่เช้าพวกคุณก็รู้อยู่แล้วนะข่าวก็รู้ทั้งนั้นเนะ่ยก็มาคุยอาตมาอาตมา ก, ก็บอกทางออกอันนี้พูดได้เลยนะเป็นความลับหรือความเปิดก็ตามใจอะ่ะอาตมา ก, ก็บอกทางออกว่านาวเธอคุณทักษิณบอกฝากคุณสุดารัฐไปก็บอกคุณทักษิณสิบอกว่าให้ลาออกเถอะเพราะว่ามันจะมันลาบากแล้วตอนนี้มันจะเกิดความวุ่นวายและอาตมา ก, ก็เขาพูดไปจริงจริง จะผิดจะถูกยังไงก็ตามใจเราแล้วก็ถุงกล้าวขอคณะรัฐบาลพระราชทานนายกทําได้นะนายกทําเองอัตมาบอกขอคณะรัฐบาลพระราชทานแล้วก็มีนายกพระราชทานแล้วก็แก้ปัญหาแท้จบคุณจะปลอดภัยแต่ต้องทาก่อนวันที่26นะตอนนี้เขานัดวันที่ส6จะเป็นวันดีเดย์นี่อัตมาบอกไปสุดท้ายกูจะสุดาจ ะ, จะไปพูดกับนายกหรือไม่ไม่รู้แต่วันนุ่งหึงมา แต่พอมาที่หน้าสตีโศกเจอกองทัพนักข่าวเต็มเลยไม่กล้าเข้าก็ เ, าเลยโทรเข้ามาบอกอาตมาบอกว่าขาออะ่พึ่งเข้ามาเลยอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะมาทําไมอีกวันนั้นไม่ได้นัดแต่วันที่สิบเก้า น, นัดนะเสร็จแล้วก็กลับไปจากวันนั้นก็เลยเรื่องมันก็เลยมีข้อมูลใหม่ตัวแปรอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยจนกระทั่งเกิดก่อนจะถึงวันที่26อีกก็มีอีกคนนึงไม่ขอออกชื่อคนสนิทชิดเชื้อก็ คุณในแต่ท่านนายกคุณยิงก็ออกกันแล้วกันก็พยายามที่จะพบอัตมาพยายามจะคุยอัตมา ก, ก็บอกไปก็เสนอแน่อย่างเดียวกันกับคุณสุดารัตน์นี่แหละก็เสนอแน่อย่างนี้ไปบอกทางออกมีอย่างนี้ทางเท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็ปรากฏว่านายกยกบุบสภาก่อนวันที่ยี่สิบหกอะไรเงี้ยอ่านี่เรื่องที่เปิดเผยได้ถ้าบอกว่าจะแนะหรือจะพูดท่านนายกก็คงรู้แล้วละ่ะพราะพูดไปต้องกับคุณสุดารัตน์ก็พูดกับคนที่ชิด ไกลชิดอย่างนี้ก็พูดแล้วก็น่าจะเพราะงั้นก็คงจะไม่มีอะไรจะพูดกับท่านเราค่ะตอนนั้นอะไรที่ทําให้ท่านพ่อท่านโพธิราชนั้นตัดสินใจเลือกข้างฝั่งนี้อะคะก็ใช้ความฉลาดเท่าที่อัตมางโง่นี่แหละตัดสินอัตมามีความฉลาดเท่าไหร่แล้วมีความโง่เท่าไหร่ก็ใช้ภูมิปัญญาของเราตัดสินออกมาว่าเออเอาอันนี้ก็แล้วกันเลือกอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะไม่ตัดสินไม่ได้มัน มันแยกสองฝ่ายแล้วจริงๆมันสองขั้วแล้วจริงๆ<ะ>มันเกิดอย่างนั้นในสังคมแล้วจริงแต่แต่คุณเฉลีครับผมตั้งข้อสังเกตว่าชาวไทยมีการชุมนุมลักษณะนี้มาหลายครั้งครับในอดีตครับเราลองไล่ทวนประวัติศาสตร์ดูแต่ไม่เคยมีครั้งไหนเหมือนครั้งนี้ในจุดหนึ่งตรงที่ว่าเราชุมนุมกันด้วยความสันติที่สุดสงบที่สุดแล้วก็มันเป็นระยะเวลานา น, านมาก<ะ>ผมกําลังคิดว่านี่เป็นเหตุเพราะว่าเรามีสมณะมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือเปล่า จึงได้แผ่พลังเย็นนี้ทีเดียวสิบห้าครั้งชุมนุมมาก่อสวยงามมาสงบสันติมาเรื่อยๆทั้งสิบห้าครั้งนะอัตมามาร่วมอีกครั้งที่สิบหกบเจดครั้งวันที่ยี่กครั้งวันที่ห้าเป็นไปได้ไหมครับว่ามันมีพลังเย็นแผ่ออกมาจากอยู่นี้ครับอัตมาว่ามันเป็นบุญของประเทศนะเป็นบุญของบ้านท่านทั้งหลายเชื่อตามนี้ไหมครับผมผมมีความรู้สึกนะครับว่า การที่เราเห็นสมณะหรือมีเห็นพระสงฆ์อยู่ด้วยกันเนี่ยทำให้เรามีความใจเย็นเพราะฉะนั้นการชุมนุมเราก็เลยใช้ความสันติแล้วก็เราใช้ความเป็นอาหิงสาอย่างชัดเจนแม้แต่มหาตรมาคันธีซึ่งเวลาเรียกคนชุมนุมกันจำนวนมากๆเขาใช้นโยบายคือนอนไวโอลเอน์คือเป็นอาหิงสาแต่สุดท้ายก็ยังมีคนยกปืนขึ้นมายิงอันนั้นเหนือชั้นของคานธีนันถึงขั้นสันติอหิงสาและอโหสีด้วย ทำอโหสิคือหมายความว่าอภัยเพราะฉะนั้นแม้แต่ฝ่ายร้ายนี่จะร้ายแรงถึงขั้นทำร้ายเห็นไหมถ้าตามประวัติทำร้ายฆ่าถูกตายไปถูกบาดเจ็บก็เอามารัษาไม่โต้อตอบเลยน่าสุดยอดเ แ, แ, แต่ดิฉันทำข่าวม็อบมาหลายครั้งอ่้นะคะหลายคนก็บอกหลายกลุ่มก็บอกว่าเพราะมีสมนานี่แหละคุณหมอครับว่าทวงทาให้เหตุการณ์ไม่จบสิ้นททีออ แต่ผมคิดอีกแง่นึงครับคุณคุณแต่อันนี้เขาจะจะเป็นจะเจ็บจะตายกันไปให้รู้เช่นเห็นชาติกันไปข้างเลยเนี่ยสัมมาณัก็มายืนขวางอยู่ทาโทษนะคะบางคนก็บอกว่าน่าลำคาญจริงเชี่ยกับสันติอโศไปเสียเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยร้อนอย่างนี้แหละถึงแรงร้อนอย่างนี้แหละถึงแรงยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงกันออกมาให้มากมากหมดหมด นี่คือยุทธศาสตร์อามือระเบิดที่เตรียมมาฟังไว้มือระเบิดมือปืนฟังไว้ผมคิดว่านี่อาจจะกลายเป็นวัฒนธรรมชนิดใหม่ของคนไทย<า>ก็ได้ว่าต่อไปถ้าเราชุมนุมกันควรจะต้องมีสมณพมาเป็นที่ปรึกษาด้วยหรือมาเป็นร่มอยู่เบื้องหลังให้เราด้วยอ๋อเป็นเป็นที่ปรึกษาหมอไปเหรอคะก็คือว่าเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแร ง, งครับที่จริงสังคมะมีนักบวชหรือมีที่ปรึกษาเป็นนักบวชนี่มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว สมัยไหนก็มีสมัยของไทยนี่ก็มีค่ะแม้แต่<ม>บางคนก็มองว่าอีกฝั่งหนึ่งของเวทีสนามหลวงเนี่ยนายกทักษิณ น, นะระดับนายกทักษิณเนี่ยดิจิตอลขนาดนี้ใช้สมนานะจะเอาอยู่หรอคุณหมอจะ อ, อยู่ไหมคะพ่อท่านก็ทำสุดที่ทำเก่งสุดที่ดีสุดที่เราสามารถสุดที่เราก็ทาสุดที่แล้วส่วนจะจบเป็นยังไงเราก็ไม่ใช่หมอดู อย่างวันนี้เขายังไปแจ้งความจับเลยอะค่ะว่าแต่งกายเรียนแบบสงองคงไม่เกินพรุ่งนี้ตำรวจคงมาบุกอะค่ะแต่เม่อกนั้นเราคุยสักครู่นี้เราบอกว่าจบไปแล้วนี่ครับจบไปแล้วเพราะว่ า, าเป็นเป็นดูแล้วมันไม่มีมูลครับไม่มีมูลใช่ค่ะทีนี้อยากอยากเรียนถามว่ามีคนพูดกันว่าสันติอโศกเนี่ยก่อนหน้านี้สนิท ก, กับรัฐบาลมากอะไรเนะสันติอโศกสนิท ก, กับรัฐบาลมากสนิท ก, กับแกนนารัฐบาลมาก เหตุไห hey, นยแย่อยู่ดีๆจะมายืนฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลแล้วข้ามกันได้ขนาดนี้นะคะอาจจะสนิทกันก็คุณคุณจำลองมั่งสนิทกันนายกเพาว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนี่ปั้นมากับมือ อ, มอาตมาเองอาตมาไม่ค่อยรู้จักคุณทักษิณเท่าไรหรอกน ะ, ะ ก, ก็ก็รู้จักกันในฐานะสังคม อ, อ่ะแล้วก็อาจจะรู้จักเนื่องเกี่ยวว่าคุณจำลองมาสำนักสติอโศก อ่าแล้วก็เลยพลอยรู้จักชื่อสมณะโพธิรักอะไรไปด้วยก็เคยเจอกันก็ก็ทักทายกันบ้างไม่รู้จักท่านทักษิณแล้วทําไมจึงได้แนะนําผ่านคนสนิทผ่านคุณหญิงสุดารัตน์ล้วคะไว้ท่านเล่าออกแสดงว่าต้องศึกษาท่านทักษิณมาไม่น้อยเลยครับทั้งโน้นทังโน้นขอขอว่าแม้ขอแนะนําคําแนะนําอะไรจะให้เสนออย่างไรอาจามาก็เสนอไปเท่านั้นเองก็ยังไม่รู้ว่าจะบอกไม่บอกหรือว่าจะ เห็นด้วยมีเห็นด้วยอะไรเราไม่รู้นี่เราก็เป็น <Yeah. S 1> ความจริงใจเราก็มีมันก็ฉลาดหรือโง่เท่านั้นก็แสดงภูมิไปเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> แล้วนายกบอกไม่ลาออกไม่รู้อาตมา ก, ก็ไม่รู้ว่าบอกหรือไม่บอกคื อ, อวันนี้ก็ไม่ลาออ ก, ออกสมณมา ก, กันทั้งสันติสุขก็ไม่ลาออกก็ถูกแล้วก็ยังไม่ลาออกแต่ก็ต้องพยายามท่านอาจจะต้องออกก็ได้ก็ท่านอาจจะใจใจเย็นหรือว่าท่านัด จ, จะเกิดเห็นสงสารสังคมมนุษยชาติประเทศไทย ท่านก็อาจจะลาออกอะไรก็ได้นี่ท่านมองว่านายกจะต้องลาออกเข้าสักวันใดวันนึงนะก็เป็นเป้าหมายที่เราคัดค้านหรือว่าต้องการกันอยู่ใช่ไหมล่ะค่ะแล้วท่านต้องการไหมล่ะคะอะไรนะท่านต้องการเห็นนายกลาออกไหมล่ะคะก็อัตมาเสนอไปแล้วไงว่าอัตมาแนะนํำและหลังจากนั้นท่านต้องการเห็นประเทศเป็นยังไงย่ะคะรัฐบาลพระราชทานนายกพระราชทานหรือยังไงคะนายกอะไรนะนายกพระราชทานเหรอคะอ๋อนั่นแหละ ก็เสนอกันอยู่<ม>ก็ไม่รู้กี่คณะแล้วก็เสนอกันไปในจุดนี้อาตมาว่าเป็นปจุดที่จะเป็นเอกภาพนะมันรู้สึกว่ามันจะเข้าไปที่เดียวกันหมดแล้ว <Okay. S 1> ครับที่เราคุยกันมานี้ก็คือเรื่องในปัจจุบัน <c oughs> ครับ <c oughs> ผม <c oughs> อยากจะขออนุญาตครับคือเท้าวความในอดีตสักนิดหนึ่งก็คือพ่อตั้มพลธีรักษ์นี้เดิมเคยชื่อนายรักรักพง ม, มาก่อนแล้วก็ก่อนจะเข้ามาบวชเพื่อทํางานให้กับพระาศาสนาแล้วก็มาเป็นนักทํางานนักต่อสู้อุทิศเพื่อ เพื่อประชาชนหรือเพื่อพระสงฆ์นีก่อนเพื่อเพื่อเพื่อชาวพุทธนะครับในรักรักพงในอดีตนะครับเคยเป็นดาราแล้วก็เคยอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็มีชื่อเสียงมากมากนะครับแล้วก็เคยแต่งเพลงซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเคยคงเคยได้ยินกันมาแล้วเพลงที่มีชื่อเสียงมากๆคับเพราะท่านช่วยกรุณาเผยชื่อหน่อยครับก็มีเพลงผู้แพ้ฟ้าต่าแผ่นดินสูงชื่นรักอะไ ร, รพวกนี้ผู้แพ้ที่ททท ที่ร้องยังไงคุณอัญชลีจําได้ไหมครับระกรรมดวงดวงใจกระไรหนอบาปใช่ไหมครับอันนั้นอันเก่าแล้วแต่งตั้งแต่พศ9ก้าสบเจดาดาพศ2498ัี่ร้อยเกิบแปยังไม่เกิดเลยแต่ผมจําได้ตอนเด็กๆผมได้ยินเพลงนี้ครับแล้วก็หนังโทนครับในอดีตเคยมีชื่อเสียงมากเพลงฟ้าตั้มแผ่นดินสูงเพลงชื่นรักไม่นังโทนมีเพลงหลายเพลงซึ่งเรื่องนายรักรักคงในสมัยนั้นได้แต่งเพลงนี้และทําให้เป็นงานชิ้นโบแดงของวงการบันเทิง แต่สุดท้ายตัดสินใจมาเข้าสู่วงการพระศาสนาแล้วก็มาทํางานเป็นนักทํางานต่อสู้อุทิศเพื่อสังคมผมอยากจะให้พ่อทานประปุรช่วยกรุณาให้รายละเอียดตรงนี้สักนิดได้ไหมครับเพื่อเพื่อให้ให้ข้อความในอดีตแก่คนที่มาชุมนุมที้ที่นี้ผมเชื่อว่าหลายท่านไม่ได้รู้ตรงนี้มาก่อนว่าทําไมวันนี้ถึงต้องมาร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาชนคนเรานี่นะถ้าศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยเมื่อ ความเห็นแกตตัวหรือว่าความโลภโลภในลาบโลภในยศโลภในสรนเสริญโลภในสุขทางกามสุขในทางเสพอัตตามันลดลงลดลงลดลงแล้วโดยเฉพาะยิ่งลดลงหมดแล้วชีวิตมันก็มีแต่อย่างเนี้ยมันก็ต้องเห็นแก่มนุษย์น่ยก็ช่วยเหลือเขาเขายังทุกข์กันอยู่ทั้งนั้นเลยอาตมาเองอาตมาเห็นใจ ท่านทักศินมากมากเ น, นี่ยว่าคงทุกหน้าดูเลยขนาดนี้นก็มีแต่ทุกอย่างเนี่ยคนที่หลงไหลอ ย, อยู่กับาบยศสันเสริญโล ก, กียสุคนี้ทุกทั้งนั้นแหละอัตมาก็เห็นความจริงอันนี้ก็เลยต้องมาช่วยช่วยปที่จะเหตุลดกิเลสอะไรพวกนี้ลงไปไม่หลงไหลอะไรกับนักกัะหนาในราบยศสันเสริญโล ก, กียสุขมันเป็นเรื่องมอมเมามันเป็นเรื่องชว่วทั้งชัวคราวแล้วคนเราเป็นปุถุชนเนี่ยจะหลงติดอยู่ตรงนี้กันทั้งนั้นเลย พระอนาคามาก็เลยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนในเรื่องนี้เป็นโลกุตระเป็นเรื่องที่เหนือชั้นของโลกียะหรือโลกธรรมพวกนี้มาสอนมาเผยแพร่จนกระทั่งเกิดมวลเกิดคนที่มาเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าลาออกมาไม่ได้ใ ย, ยดีไม่ได้ยีระอะไรกับราบยศเสินหลายคนลาออกมาแล้วก็มาทํางานกันช่วยกันในพวกเรานี้ทํางานกันฟรีอยู่กินกันมักน้อยสันโดษไม่ได้ ฟุมเฟือยืุอนวาอะไรหลอกอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วก็มาทํางานให้กระสังคมมาเรื่อยเรื่อซึ่งยากแสนยากยากมากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าทําการกระแสสังคมแล้วกัคณะมวลผุุ้ชนนี่มันเยอะเหลือเกินไม่รู้กี่ต่อต ก, กี่ต่อถี่เท่าต่อกี่เท่าแต่เราก็อยู่ในกระแสกระแสอันเชี่ยวกรากอันนี้จนกระทั่งสามารถที่จะสร้างกลุ่มสร้างหมู่ขึ้นมาได้จนเดี๋ยวนี้มีหมู่บ้านมีชุมชนที่เป็นหมู่บ้านที่มีศีลหมู่บ้านที่ ไม่ไปแย่งลาบยศสันเสริญโลกียสุขใครอยู่กันอย่างสมถะอยู่กันอย่างสงบที่เกิดมาขณะนี้แล้วราก็เห็นเป็นความสุขอย่างแท้จริงนี้อาตมาถึงทราบซึ้งในธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าแม้วันนี้ก็ยังอากาลิโกก็ยังยังสามารถที่จะพิสูจน์ธรรมะของระเจ้าได้ว่าเออเลิกเลิกโลกธรรมไม่ต้องเป็นหลงไหลได้ปลื้มไม่ต้องไปแย่งชิงไม่ต้องไปฆ่าแกงอยู่สงบสุขก็มีชีวิตเบิกบานราเริงเป็นสุขอยู่อย่างที่เป็นนี่ได้ อันนี้เป็นเรื่องหลักอันนี้เป็นเรื่องจริงที่อาตมาทำอยู่เพราะฉะนั้นที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อที่จะประกาศความจริงอันนี้ให้กับสังคมไป REM เรื่อยๆเมื่อวันก่อนนี้นายแพทย์ประเวศวสีราษฎรนภุสโธท่านออกมาแสดงความเห็นแสดงนัยยะว่าคุณทักษณิณชินวัตรควรจะลาออกแล้วก็มาบวชจะทําให้เหตุการณ์มันดีขึ้นในแง่นี้ถ้าเราเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธนะครับเคยมีไหมครับในอดีตที่ว่า สมรรถผู้ส่งสินสามารถใช้คํากล่าวตักเตือนแล้วทําให้บุคคลที่มีอานาจสูงส่งทางการเมืองนี้กลับใจได้อย่างเฉียบพลันครับอาตมาว่ามีอยู่นะแต่ว่าอาตมาจําเรื่องที่จะเป็นเรื่องอย่างนั้นไม่ได้แต่ดูมนันผ่านๆอยูว่ามีนะสมัยโบราณมีที่ผ่านมามีแสดงว่าเรายังพอจะมีความหวังว่าพลังเย็นอาจจะทําให้ผู้นําเปลี่ยนใจได้นั่ น, นสิอาตมาว่าเป็นคําแนะนําที่ดีมากเลยคุณหมอประเวศ <Go. S 2> ท่านทั้งหลายเชื่อเช่นนี้ไหมครับอหมายถึงอะไรครับหมายถึงเห็นนายกลาออกว่าเปบวบุ่ดเหรอคะคือพลังเย็นการต่อสู้ด้วยพลังเย็นคือพลังเย็นนี้มันมันมันแฝงไว้สารตินะครับาสามารถที่จะทําให้คนคนหนึ่งซึ่งมีความคิดอันแรงกล้าเนี่ยปเปลี่ยนความคิดเป็นร้อบงศากลับมาอีกทิศทางหนึ่งได้เราอยากให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจังเลยเหรอคะ แต่ดมืนยังไม่ค่อยมีอะไรบ่งชี้เลยนะเห็นนายกอย่างที่เดินพล่านไปบ้านโน้นบ้านนี้อยู่เลยคุณ <c oughs> ก็ไปว่าท่านก็ <c oughs> ต้องใช้พลังเยนอีกสักเท่าไหร่นี่ฮะ <c oughs> เ, เราควรจะหวังนะเราควรจะหวังในสิ่งที่แม้จะยากแล้วก็ควรจะหวังว่าอาจจะมีอภินิหารอะไรกระมังที่จะมาช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ <c oughs> แต่เราก็ไม่หวังอย่างเพ้อเพันฝันหรอกเราก็หวัง <c oughs> ช่วยกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอ บอกกล่าวว่าท่านผู้ใดที่เห็นร่วมจงพยายามเลือกฝ่ายเถิดเมื่อมาเลือกฝ่ายแล้วก็มาช่วยกันเพราะว่าน้ำหนักของสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยควรจะมีน้ำหนักให้ทวงมากส่วนคนที่ยังหลงไหลได้ปลืมอยู่กับโลกีหยับหยาบหลงในลาบยศจมคือมืดมนนะ่ะ มีเยอะในสังคมนี่คนมืดมนมีเยอะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีดวงตาผู้ใดที่เข้าใจในสัจธรรมที่ดีๆแล้วอย่ามัวเป็นหลบอยู่เลยควรจะมาผนึกกันเพื่อที่จะถ่วงดุลท่าพลังอันนี้มากๆๆๆๆนายกคงจ ะ, ะเห็นความจริงอันนี้ได้และก็คงจะต้องยอมสิ่งจริงอันนี้ได้กราบนมัส ก, การขอพระคุณพระคุณเจ้านะคะ ดีค่ะ <laughs> เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะคารบธงชาติโดยพร้อมเพลียงกันนะคะทั้งที่นี่แล้วก็พี่น้องของเราซึ่งชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง ASTV ช่องนิวชวันนะคะและเราก็จะมีธรรมะดีๆอย่างนี้มาฝากกับพ่อแม่พี่น้องทุกวัน17นาฬิกาถึง18นาฬิกา 5-6 โมงเย็นนะคะวันนี้กลับน้ำมัสการขอบพระคุณสมณทุกรูปและพ่อท่านปทิรัก์สวัสดีค่ะเิญมครับ